จดหมาย 4 มาตุภูมิลูกรักของแม่วันเกิดของลูกปีนี้ของแม่วันเกิดของ เป็นเสมือนหยาดเหงื่อแห่งความพากเพียรที่แม่ทําเพื่อลูกกระดาษแผ่นนี้ คือวันที่ผู้หญิงคนหนึ่งภูมิใจเพราะได้รับฐานะสูงขึ้นจากหญิงธรรมดา ในความเป็นแม่ของลูกวันนี้เป็นวันเกิดของลูกและ ไม่ใช่เพียงการเฉลิมฉลองดื่มกินสนุกสนานเสียเงินเสีย ทำงานบูชาพ่อถ้าลูกยังคงระลึกได้อย่างนี้ชีวิตลูกจะไม่มีวันตกต่ำลูกจะรุ่งเรือง เรื่องนึงๆของคํามาตุภูมิแม่หมายถึงแผ่นดินที่ลูกเกิดหมายหรือพูดให้เพราะว่าแผ่นดินแม่ที่แม่ยกมาพูดก็เพราะคนเราเกิดที่ใดลูกเกิดถิ่น ลูกทุกคนมีแผ่นดินแม่หรือมาตุภูมิเหมือนภาษาวัฒนธรรมประเพณีที่นั่นคือที่ที่เราได้ เมื่อเราจากไปไกลสิ่งหนึ่งที่เราคิดถึงคือบ้านคําว่าบ้านเป็นบรรยากาศที่เราอธิบายด้วยภาษาไม่ เพราะมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ทําให้เรานักเหมือนต้นไม้มี ละจริตนิสัยใจคอของเราโดยตรงลูกนั้นดูการเปลี่ยนแปลงของเขา สิ่งสําคัญต่อมาที่ลูกควรคิดคือการตัวมาตุภูมิก็คือพ่อกับแม่คือบ้านที่เราอยู่อาศัย วันหนึ่งเราจะทดแทนคุณทินกําเนิดคําว่าทดแทนคุณนี้ คนไกลนําของมาแจกหากแต่หมายถึงเราทุกคนที่อยู่อาศัยบํารุงดูแลซ่อมแซมปกป้อง คนส่วนใหญ่ยังไม่เช่นเกิดเป็นคนไทยต้องพูดไทยได้คนไทยไปลาพูดไทยได้ ไม่ผูกอาคาตผูกชอบพูดว่าให้เป็นต้นได้ชอบพูดว่าเช่นวันสงกรานต์ออกพรรษาลอยกระทงเป็นต้น ส่วนประเพณีเน้นเรื่องทางกายและทำกันเฉพาะการเวลา ถิ่นก็แสดงว่าจิตใจคนในถิ่นนั้นดีจนขโมยไม่มีก็แสดงว่าจิตใจคน รักชุมชนบ้านชุมชนอำเภอจังหวัดของตนจะไม่ทําอะไรให้เกิดความเสียหายแก่บ้านของตนในอดีตแม่เคยเห็น แม้ว่าน่ารักดีเราควรสืบทอดให้ได้น่ารักดีเราควรสืบทอดให้ได้ยิ่งน่ารักมากๆก็ขอแรงกันได้เช่นทําไร่ทํานาปักดํา ทุกคนเสียสละเห็นใจกันช่วยเหลือกันพองานของคนนี้เสร็จก็ยกคณะไปช่วยคนน้อยหรือไม่เลยเมื่อก่อน หำกินแต่ทุกวันเรายังพอจะปรับตัวได้คนและรวดเร็วจนเกินไปทํามาวันเกิดลูกขอให้ลูกภูมิใจในแม่ และภูมิใจในมาตุภูมิภูมิใจในมาตุภูมิขอคุณพระ ลูกแม่นอน